กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะว่าสากเกี่ยวกับเรื่องศาสกะสัมปชัญญะการรู้ประโยชน์ใช่ไหมประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งลืมเบาะลืมพูดไปนิดหนึ่งว่าคนที่จะปฏิบัติได้จนถึงโตโน้นนะติเหตุกะปฏิสนธิมาก่อนนะปฏิสนธิด้วยตลายเหตุนะอย่างเดียว่จึงพวกที่จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งนะ ผู้ที่จะบรรลุมรรคผลเนี่ยปฏิสนธิที่ต้องติเหตุปัญญาเนี่ยนำเกิดจึงจะบรรลุได้ถ้าญาณวิปยุทธ์ก็บรรลุไม่ได้อเหตุตุกะปฏิสนธิก็บรรลุไม่ได้พันพวกเดรัจฉานบรรลุไม่ได้พันผู้ที่บรรลุได้เป็นกลุ่มติเหตุตุกะปฏิสนธิเมื่อเป็นติเหตุตุกะปฏิสนธิเกิดมาอินรีดีไม่พิการ คนสุขภาพดีระดับหนึ่งแล้วก็มามามีสุตตะเนี่ยนะพอมามีสุตตะก็รู้ประโยชน์โลกนี้ที่สุดเป็นยังไงประโยชน์โลกหน้าเป็นยังไงประโยชน์อย่างยิ่งเป็นยังไงทีนี้ถ้าประสงประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนะรู้เลยว่าอะไรเกื้อกูลต่อประโยชน์อย่างยิ่งอะไรไม่เกื้อกูลต่อประโยชน์อย่างยิ่งเพราะสปายะนี่แปลว่าเกือ้อกูลตัวที่เกื้อกูลที่จะทาให้ได้ ประโยชน์ น, นั้นนเนี่ยนะรู้เลยว่าอะไรเกื้อกูลต่อประโยชน์ น, นั้นนนเช่นย้อนมาทบทวนนะว่าประโยชน์โลกนี้คืออะไรก็คือการได้ปัจจัยสี่ที่เพียบพร้อมใชม่แล้วทำยังไงให้ได้ปัจจัยสี่คนที่มีศาสกะกะคนที่รู้ประโยชน์เนี่ยนะจะมองออกเลยใช่ไหมจะทาได้ยังไงจึงจะประสบความสำเร็จในประโยชน์โลกนี้แล้วก็คนที่มองประโยชน์โลกหน้าก็รู้เหตุด้วยนะว่าเหตุแห่งประโยชน์ โลกหน้าเป็นยังไงนะแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งล่ะเหตุต้นเหตุเขาคืออะไรพอศาสกะสัมปชัญญามาดีอย่างนี้เนี่ยนะพอส ป, ปายะสัมปชัญญะจะรู้เลยว่าอะไรเกื้อกูลหรือไม่ไม่เกื้อกูลเช่นปกติส ป, ปายะมีเจ็ดใช่ไหมหนึ่งบุคคล บุคคลสปายะเสนาสนะสปายะอาหารปายะอุตสปายะการพูดอิริยาบถนี่นะอีกอันหนึงคือพวกนี้ธรรมะเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเนี่ยนะ คนนี้จะรู้เลยว่าถ้าจะได้ประโยชน์โลกนี้นะถ้าแบบประโยชน์โลกนี้จะต้องคบคนก่อนนะต้องรู้จักคบใครนะสองทำเลสามอาหารสี่แล้วก็อาชีพอะไรลหละก็ดูด้วยดินฟา้ามกันเลยห้าพูดยังไงจริงจะได้อ น, นั้นหกใช้อิริยาบถแบบไหนแล้วก็ความรู้อรรมะตัวนี้ก็คือกลุ่มความรู้นะ อันนี้ถ้ามองแบบประโยชน์โลกเนี้นะก็อันนี้เกื้อกูลต่อประโยชน์โลกนี้ก่อนลนะ่ะทีนี้ถ้าประโยชน์โลกหน้าล่ะประโยชน์โลกหน้าคืออะไรคือกุศลทั้งหลายกุศลแต่เป็นกุศลประเภทกุศลที่เป็นไปในวัตถะเนี่ยนะอย่างการให้ทานการรักษาศีลเป็นต้นเนี่ยบุคคลก็ต้องก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะใช่ไหมที่ที่รักษาศีลก็ต้องดีหน่อยนะมีในชาดกจะเจอบ่อยอย่างเช่นนาคราดเนี่ย นาคเข้าอยากจะ ร, รักษาอุโบสถเฉพาะนาคพระโพธิสัตว์เนี่ยนะก็ อ, อยากรักษาอุโบสถอยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์คือตอนแรกเห็นสมบัตินาคมันยิ่งใหญ่มากก็เลยอยากได้สมบัตินาคพอนาคพอไปเป็นนาคเข้าเอ้ยเราเนี่ยมันทําบุญมาตั้งเยอะแยะมาเกิดในกําเนิดกินเขียดย่างไงนะเรื่องอะไรอยากเป็นนาคก็ อ, อยากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์คืนก็รักษาอุโบสถพอรักษาอุโบสถรักษาที่เมืองนาคอะนะวันไหนรักษาอุโบสถสนมมาเต้ไปหมดเลยศีลก็ขาด รักษาศีลก็ขาดบ่อยเข้าก็เลยม า, มารักษาที่มนุษย์เป็นต้นเนี่ยนะทน ส, สถานที่ก็สาคัญใช่ไหมทนที่อยู่เสนาสะนะอาหารก็สาคัญอุตุพัน้นการรักษาศีลการให้ทานเนี่ยนะแม้แต่ทานศีลภาวนาทั่วๆไปก็ต้องสปายะเหล่านี้ก็ต้องดีทีนี้แม้กระทั่งประโยชน์อย่างยิ่งถ้าเราจับบรรลุอริยสัจนี่เรารู้ใช่ไหม เนี่ยวันนี้เราเกี่ยวข้องกับใครเนี่ยมันเกื้อกูลอะไรต่อการบรรลุอริยสัจนะสถานที่ที่เราอยู่มันเกื้อกูลอะไรต่อการบรรลุอริยสัจอาหารที่เราบริโภคอว่าทานเท่าไปก็ท้องเสียเข้าไปก็ท้องผูกท้องเสียท้องผูกอยู่เนี่ยนะมันจะบรรลุง่ายไ้ยคิดว่าไม่ใช่เลยใช่ไหมอุตุร้อนเกินไปเย็นเกินไปเนี่ยนะไม่พอดีไม่เหมาะสมกับบุคคลนั้นพูด พูดมากไปบ้างสมควรพูดแต่ก็ไม่พูดบ้างไม่ใช่นิ่งเฉยเฉแล้วจะสปายะเสมอไปใช่ไหมหลายๆคนก็บอกเอ๊ะตรงนั้นเราน่าจะพูดบ้างนะแต่ทำไมเราไม่พูด <c oughs> ก็ยังปําหนดตัวเองอีกที่ไม่พูด น, นะบางคนก็เอ๊ะพูดมากไปมั้งอย่างเงี้ยไหมก็สปายะหาให้พอดีเอากันแล้วกันแม้กระทั่งอิริยาบถนะก็มีผลอย่างการอ่านหนังสือเนี่ยนะก็เกี่ยวข้องกับเพื่ออิริยาบถใช่ไหมก็มีผลและแล้วก็ เรื่องที่เราอ่านเราศึกษาเนี่ยนะปราถนาบรรลุมรรคผลนิพพานแต่อ่านวิชาอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะมันก็ไกลกันมันก็สปายะนี่ให้พอตัวนี้ก็เป็นปัญญาที่สามารถบริหารเป็นนะตัวนี้เป็ น, เ ป, นเป็นปัญญาที่รอบรู้ปกตูปนิสยปัจจใจนะเป็นตัวรอบรู้ว่าอะไรเกื้อกูลอะไรไม่เกื้อกูลต่อการที่จะได้รับประโยชน์นะนะทั้งประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแม้กระทั่ง ประโยชน์อย่างยิ่งต่อไปโคโจรนนะโคโจรตัวนี้เนี่ยคือตัวรักษาละ่เนะเที่ยวไปด้วยกรรมฐานเนี่ยนะทำยังไงจะเอากรรมฐานไปด้วยได้นนะเอากรรมฐานไปด้วยได้เพราะฉะนั้นเรารู้ละ่ะว่าการแทงตลอดอริยศาสตร์นี่มีประโยชน์มากทํายังไงเราจะคิดอริยศาสตร์ได้มอกได้ยาวและต่อเนื่องอันนี้แหละเป็น โคจรสัมปชัญญะส่วนอะสัมโมหะสัมปชัญญะเนี่ยรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้ไม่หลงเลยเนยะโดยหลักวิชาการเนี่ย น, นี่แม่นยํา ม, มากอย่างเช่นมนสิการอารมณ์ใดอารมณ์มหนึ่งและสิ่งนั้นมันคืออะไรอันนี้แม่นยํา ม, มากเลยอันนี้เป็นลักษณะของศาสกะสัมปชัญญะไม่หลงลืมไม่เลอะเลือนอย่างเช่นถ้าอุปาทานขันสมมติทำมนสิการขันใดขันหนึ่งรู้เลยในฐานะเป็น ทุกข์ัตริย์ใช่ไหมแล้วก็รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินใช่ไหมอย่างถึงไปอีกอันนั้นก็เรียกว่าอย่างถึงสมุทัยกษัตริ์ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นไปต้องเป็นนิโรธสัตว์ถ้ากําหนดรู้ทุกจริงจนสามารถเบื่อนหน่ายก็ต้องบรรลุแน่เพร้นไอ้พื้นฐานอาสามัมโมหะไอการไม่หลงลืนไม่เลอะเลือนเป็นต้นก็ต้องดีก็ เ, เลยเรียกว่า สัมปชัญญะทั้งคนที่จะเจริญได้บริบูนะ ร, รณ์นะสี่ปรการนี้ต้องต้องดีแล้วก็พื้นฐานมาจากอะไรติเหตุกปะปฏิสนธิแล้วก็มาบริหารตามหลักอันนี้ยังไงก็ต้องบรรลุแน่นอนล่ะถ้าถ้าถ้าเจริญไปตามเงื่อนไขที่ท่านบอกทั้งหมดเลยนะอันนี้เฉพาะในส่วนของของอะไรนะของสปายะสัมปชัญญะของสัมปชัญญะหรือของปัญญา ปัญญาทั้งสี่ประการเนี่ยทั้งศาสกะสัมปชัญญะสปายะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะอสัมโหะสัมปชัญญะเนี่ยพวกเนี้ยเป็นปัจจัยแก่การบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าถ้าแบ่งปัญญาไปแล้วเนี่ยเขาแบ่งตามนี้นะถ้าแบ่งตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยสัมมาทิฏฐิที่บรรลุอริยสัจเรียกว่ามัคคสัมมาทิฏฐิใช่ไหม มัคคะสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะหรือมีชื่อหนึ่งเรียกว่าปฏิเวทคือการบรรลุเนี่ยนะถามว่าตัวที่ใกล้ที่สุดที่จะทำให้บรรลุคืออะไรปัญญาชนิดไหนวิปัสสนาปัญญาทำไมจึงเจริญวิปัสสนาปัญญาได้ดีเพราะปาริหาริยกะ บริหารนะ่ะนะปัญญาเป็นเครื่องบริหารเนี่ยดีที่เขามีปัญญาเครื่องบริหารดีก็ใกล้หน่อยก็เนี่ยพวกสุตะดีสุตะดีเป็นต้นนะนะยกสุตะดีสุตตะดีก็เพราะติเหตุกะปฏิสนธิมาดีอันนี้มองเฉพาะมักเดียวนะคือมักมักทั้งหมดมีแปดใช่ไหมนี้เราพูดมักเดียวคือ สัมมาทิฏฐิที่จะไปรู้อริยสัจเนี่ยลำดับเขาจะเป็นอย่างนี้ผันท่าผู้ใดจะบรรลุในชาตินี้เลยนะถ้าจะประสง์จะบรรลุอริยสัจชาตินี้ปฏิสนธิเป็นติเหตุกราปฏิสนธิเนี่ยนะมีปัญญาตั้งแต่เกิดเลยเกิดมามีปัญญาเลย2 ส, สุตะดีนะเรียนจนเพียงพออะไรเพียงพอหลังจากนั้นบริหารตัวเองเป็นบริหารตัวเองบริหารสังคมสิ่งแวดล้อมนะ บริหารเป็นหมดเลยทั้งเจประการนะตั้งการเกี่ยวข้องกับบุคคลเป็นต้นต่อไปการบริหารทั้งทั้งหมดนั้นก็เพื่อให้วิปัสสนาเกิดอย่างต่อเนื่องวิปัสสนาเกิดต่อเนื่องก็จุดประสงค์ก็คือให้อารยมรรคปัญญาเกิดทวนมาอีกครั้งหนึ่งว่าติเหตุกะที่ปฏิสนธินะพวกนี้เป็นเป็นกุศลประเภทว่าตั้งความปรารถนาบรรลุมรรคผลในอดีตอะ มาดีเยี่ยมอย่างพระพุทธเจ้าที่วิเคราะห์ว่าใครจะบรรลุหรือไม่บรรลุเขาดูที่นี่ก่อนดูที่มีปัญญาตัวไหนมานำเกิดนะภาษาออกไปปั๊บก็จะดูว่าอา๋อบุญตัวนั้นนำเกิดอุปนิสัยบรรลุมีอ่า น, นะก็ไปแสดงธรรมนะเพราะพระองค์ช่วยได้ในส่วนนี้ช่วยสุตตะให้ให้เขามีใช่ไหมทีนี้พอบางคนเนี่ยสุตตะมีก็เจริญบรรลุในตอนนั้นเลยก็มีหรือบางคนก็หลังจากนั้นก็ไป ไปเจริญเองก็บรรลุในตอนหลังก็มีเพราะภายนอกนะายนอกจะช่วยได้มีช่วยตรงนี้ช่วยได้สองส่วนถ้าภายนอกจะเข้ามาช่วยเราได้นะช่วยให้เรามีสุตะกับแนะนำวิธีบริหารถึงแนะนำวิธีบริหารก็คือสุตะอีกอยูด่ดีส่วนที่เหลือเป็นหน้าที่ของเราลนะนั้นตั้งแต่นี้มาเนี่ยเป็นอะน ะ, อะสองประการเนี่ยเป็นโยนิโศ ตัวนี้เป็นเป็นผลของโยนิโสมนัสิการของเราถ้าปรารถนาบรรลุมรรคผลนิพพานก็มาลองถ้าเป็นนักเดินทางก็มาขีดตารางดูนะใกล้จะถึงหรือยังนะส่วนไหนอ่อนส่วนไหน เ, เกินไม่ค่อยมีนะใช่ฟังมาดีเราไปคิดตาม แต่คิดถูกก็บรรลุอยู่แล้วล่ะจะแสดงว่าพระพุทธภาคทรงผู้ที่จะบรรลุได้ต้องมีผวังที่มีคุณภาพมากแล้วก็ข้อวินิจฉัยเมื่อวานนี้ที่ว่าเอาผวางมามาพิจารณาเนี่ยนะตัวผวังตัวนั้นเนี่ยนะก็เห็นอารมณ์อย่างเดียวกันเนี่ยอีกคนหนึ่งติเหตุอีกคนทวิเหตุทวิเหตุบางคนอาเหตุไปเลย คนเรเลือกถ้าอย่างนั้นก็ถ้าอย่างนั้นแล้วก็มโนวิญญาณมันก็ต้องแตกต่างกันไปชาวนะก็แตกต่างกัน<ม>คือ<ม>อย่างอย่างจริงๆริะนะชาวโลกทั่วทไปนะถ้าพูดแบบวิชาทางโลกนะเขาเขาคัดตรงนี้ก่อนนะพวกพวกติเหตุนําเกิดเนี่ยโดยมากรูปจะดีว่าโดยรวมๆนะรูปดีทรัพย์ดีโดยมากนะแต่มีบางคนติเหตรุรูปไม่ดี าบางคนเนี่ยทวิเหตุรูปดีอย่างเงี้ยนะก็ก็มีบ้างแต่ว่าโดยรวมๆและพวกติเหตุนั้นรูปดีแล้วก็หลายๆเรื่องสิ่งแวดล้อมดีเขาจึงรับเข้าสถาบันบางแห่งใช่ไหมรับมาฝึ ก, ก น, นะเช่นมาฝึกแบบตำรวจแบบทหารแบบสายอะไรทั้งหลายแหล่ก็ตามเนี่ยก็คือกระบวนการเรียนรู้เขาก็คัดมาตั้งแต่นี้แหละคัดเน่กลุ่มนี้แต่ว่าก็ดูจากดูจากรูปอย่างถึง อย่างถึงชวนะอย่างถึงชาวนะถ้ายังชาวนะวนะปับอย่างถึงผวังได้พอรู้ว่าแต่สมัยใหม่เขานิยมให้ใช้คำว่าสมองอนะแต่จริงๆก็คือถ้าถ้าวิเคราะห์ไปทางนมามธรรมก็คือผวังนั่นเองก็วังชาวนะต่อตออาชาวนะเป็นยังไงพอที่จะเรียนได้ไหมนะหลังจากนั้นก็ไปอนะพอเรียนมาดีแล้วถ้าไม่ไปเจริญก็ก็ไม่ได้นะเจริญนเจริญแค่ไหนล่ะ ก, ก็วัดไปตามนี้ไปทีนี้บรรลุเนี่ยมรรคเดียวบรรลุได้ไหมปกตินะมรรคเดียวนี้บรรลุไม่ได้ปัญญาอย่างเดียวบรรลุไม่ได้แต่ตัวบรรลุคือตัวตัวปัญญาตัวบรรลุจริงๆนี่คือตัวปัญญานะมรรคอื่นๆไม่ได้บรรลุอะไรหรอกไม่ได้ทํากิจบรรลุ เหมือนอย่างว่าขวานโอไ้ oh, ได้ใหญ่มาไม่ค่อยเหมือนนะนะคิดให้มันเหมือนกันแล้วกันตัวที่ฟันขาดจริงๆอยู่ที่อะไรคมตัวบรรลุใช่ไหมงั้นก็ซื้อเอาแต่คมก็พอแล้วไปฟันต้นไม้ไม่ได้ ก็ต้ององค์ประกอบคือด้ามด้วยแล้วก็หินลับหินลับเนี่ยสำคัญไหมสำคัญก็บอกว่าหินเนี่ยอุปมาเหมือนกับสมาธิเนี่ย น, น, นะตัวคมเหมือนกับอะไรปัญญ า, ญญาตัวด้ามมือที่มาจับด้ามก็เหมือนอะไรเหมือนศรัทธา นะยืนหยัดะนะบุคคลที่ยืนด้วยเท้าทั้งสองเรียกว่าตัวขาก็เป็นวิริยะพื้นดินที่ยืนก็คือศีลเนี่ยนะแล้วปัญญามันจึงจะใช้งานไดถ้ถ้าจะเอาแต่ปัญญาอย่างเดียวมันก็องค์ประกอบอื่นๆไม่ไดก้ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเหมือนสายช่างก็เหมือนกันเนี่ยนะถ้าจะใช้สว่านเจาะเนี่ยไอ้ที่เจาะจริงๆมันหัวสว่านหน่อยเดียวนะหัวเจาะใช่ไหม ถ้าตัวสว่านไม่ดีอ่ะก็เจาะไม่ได้หัวสว่านดีเครื่องเจาะดีไฟไม่มีเจาะไม่ได้ไฟติดติดดับดับเจาะไม่ได้องค์ประกอบมันเยอะพันแต่ตัวเจาะจริงๆก็คือตัวตรงหัวสว่านพันสัมมาธิฏิเนี่ยเป็นตัวบรรลุมรรคผลตัวเจาะก็จริงตัวชั่แรกอวิชาก็จริงพรันสมาธิฏิอย่างเดียวไม่พอ ก็ใช่เลยนะกเจาะขวดเจาะอะไรเนี่ยใช้เพชรทั้งนั้นจริงก็เจาะขวดได้นี่ต่อไปว่าสั ม, มาทิฐิก็ลักษณะเดียวกันสัมมาทิฐินี่จะต้องมีตัวสัมมาสังกัปปะามาเป็นตัวประคับประคองเป็นตัวที่ที่ช่วยเหลือตรงๆเลยนะจริงๆก็อยู่ในกลุ่มปัญญาด้วยกัน เขาบอกว่าสัมมาทิฏฐิเหมือนตาสัมมาสังกัปปะเหมือนมืออ่นะตากับมือคุณนภาใช้ตาพลิกหนังสือได้ไหมไม่ได้นะเรจะอ่านหนังสือเนี่ยนะคนนี้ฉลาดมากเปลนตาเขาไวดูอะไรไวมากอ่ะนะถามว่าถ้าสัมมามือไม่พลิกอะ่ะ มือไม่พริกก็ก็ไม่ได้อยู่แล้วลนะเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งอ่านหนังสือหรือทำงานทั่วๆไปเนี่ยนะตาอย่างเดียวก็ไม่พอก็ต้องมือเข้ามาช่วยด้วยปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่เป็นตัวรู้ใช่ไหมสัมมาสังกัปะเป็นตัวที่ไปช่วยให้ความรู้เนี่ยเป็นไปได้อย่างอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นพวกนี้สองประการนี้จึงเป็นปัญญาขันเนี่ยนะเป็นปัญญาขันที่เรียกว่ากองแห่งปัญญา สั ม, มาทิฏฐิไม่สามารถขดัดสัมมาสังกปปะอย่างยางคนที่เกี่ยวข้าวก็เหมือนกันนะตัวสั ม, มาทิฏฐิเหมือนกับตัวตัวคมเคียวที่มันเกี่ยวนะทีนี้ถ้ามืออีกข้างไม่ขยันไม่รวบไม่อะไรเลยเนี่ยนะเคียวมันจะเกี่ยวอะไรขดัดนะก็เกี่ยวไม่ได้ฉนันใดสั ม, มาทิฏฐิกับสัมมาสังกปปะก็ฉะนั้นสิ่งที่ควรแยกให้ให้เข้าใจตั้งกแรกเลยนะว่า ถ้าสัมมาทิฏฐิที่เราพูดถึงต้องเป็นสัมมาทิฏฐิที่เกี่ยวกับอริยสัจเท่านั้นนะในในสัมมาทิฏฐิที่ประสงค์แต่มันก็มีทิฏฐิอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับอริยสัจเลยเช่นมิจฉาทิฏฐิอันนี้ต้องแยกให้เป็นระหว่างสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐินั้นตัวสัมมาทิฏฐิที่ที่ถูกต้องเลยเอาให้เต็มเต็มนะ รู้ว่าอันนี้ควรทำปริญญาอันนี้ควรละอันนี้ควรทำให้แจ้งอันนี้ควรเจริญฉนั้นตัวที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นหลักเนี่ยคือเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์แล้วก็รู้ด้วยว่ า, อ, าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเชื่อมโยงกันยังไงตามหลักนะนะพวกนี้เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าความรู้ที่ตรงกันข้ามเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างว่าการจะบรรลุต้องบรรลุสประการเนี่ยนะ เขาเรียกว่าบรรลุเนี่ยทั่วๆไปเขาใช้คําว่าอภิสมัยอภนะิสมัยแปลว่าการตรัสรู้เนี่ยนะการตรัสรู้มีอยู่4ประการคือปริญญาพิสมัย อ, นะอะไรอีกปหานาพ่สมัยสัจฉิสัจฉิกาพิสมัยเนี่ยนะสัจฉิกาพิสมัย แล้วก็ภาวนาพิสมัย4ประการนะตัวที่บรรลุจริงๆอ่ะนะแล้วตัวความรู้ใดที่อนุวัตต่อการตรัสรู้4ประการนั่นเป็นทางทางเพื่อบรรลุใช่ัหมทีนี้มันก็มีไอ้ข้อปฏิบัติที่ไม่เกื้อกูลต่อ4ประการเรียกว่ามิจฉาปฏิปทาอันนี้วิธีคิดง่ายๆว่า บุคคลทั้งหลายเขาปฏิบัติผิดหรือปฏิบัติถูกเนี่ยนะ <c oughs> ก็วิธีวัดง่ายๆว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยใกล้ต่อปริญญาไหม <c oughs> เกื้อกูลต่อปริญญาไหม <c oughs> เกื้อกูลต่อการละไหม <c oughs> เกื้อกูลต่อการทําให้แจ้งไหมเกื้อกูลต่อภาวนาไหมถ้าสิ่งที่เขาทําอยู่นะมันเกื้อกูลต่อสประการนี้อันนี้ให้คะแนนได้เลยว่าถูก <c oughs> ถ้ามันไปขวางนะเอ้ยว่าไปว่ามานะกิเลสก็เยอะมันดีนะกิเลสอ่ะพูดไปพูดมาชมกิเลสอยู่เรื่อย วัดตามันก็ไม่เสียหายมักเนี่ยนะลดลดหนก็ไม่เป็นไรอ่าพวกนี้รู้ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าปฏิเสธปฏิเสธอันนี้เป็นเครื่องวัดแบบแบบง่ายๆธรรมดา ท, ทั่วไปเนี่ยนะอย่างเวลาเราเจริญนะเราทําอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งเจริญกุศลตัวใดตัวหนึ่งนะถามว่ามันเกื้อกูลต่อหลักการเหล่านี้ไหมอันนี้เป็นเป็นเครื่องวัดแบบธรรมดาทั่ ว, วไปอันนี้เรียกว่าสายสัมมาทิฏฐิเพื่อบรรลุถ้ามันตรงกันข้ามนี้เลย อ๋อ น, นะตรงกันข้ามก็ไม่ใช่เจ็ทุ ก, ก็ไม่ทําปริญญาอ๋อ น, นะทุกก็ทุกไม่ทําปริญญาแต่เอาไปเจริญแทนอย่างถามว่าการเจริญกรรมฐานทุกวันเนี่ยเจริญตัวกรรมฐานหรือเจริญตัวอิริยาบทคุณ <c oughs> จูศรีสมมุตินะที่กําหนดที่มือเนี่ยเจริญมือหรือเจริญปัญญาที่ไปรู้มือครับ <c oughs> คุณจ <c oughs> ูศรีก็แล้วกันนะเอ า, <c oughs> เอาตัวกรรมฐานเนี่ยสาธุ <c oughs> ของของใครก็ของใครอ่ะ น, นะประโยชน์ทั้งหลายประโยชน์ของตนเป็นอย่างยิ่งระวงกันประโยชน์ผู้อื่นแม้มากอ่ะนะสมมุติว่าคนอื่นเ้ารายได้มากอ่ะนะเรารายได้วันละหบาทก็ต้องกินหบาทนั่นแหละไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนอื่นหรอกดงั้นการเจริญเนี่ยเอาทวนมาอีกครั้งว่าเครื่องวัดแบบง่ายๆว่าอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิที่สุดของสัมมาทิฏฐิพ้นทุกอ่ะ น, นะคือทิ้งขันอะ น, นะสรุปว่าที่สุดของอ ของสายสัมมาทิฐิเนี่ยคือการปลดปล่อยขันห้าเรียกว่าอนุปาทาปริณิพานธ์ก็คือปริณิพาน์แบบชนิดเรียกวัดทิ้งขัน5ไปหมดเลยถ้าสายมิจฉาทิฐิเนีเพิ่มขันหาขันใหม่ๆไปเรื่อยจินตนาการทำทุกอย่างเพื่อให้มีขันต่อๆไปน่อันนี้เป็นสาย สายมิจฉาทิฏฐิเช่นขันนิรันดรขันเที่ยงขันถาวรก็คือมุ่งไปหาขันอย่างเดียวไปบริโภคขันอย่างเดียวเนี่ยนะเพราะสายนี้ให้รู้ว่าผลที่สุดก็คือสายมิจฉาทิฐินะสายสัมมาทิฐิก็คือทิ้งขันทุกชนิดอันนี้ก็เป็นเครื่องวัดธรรมดาทั่ ว, วไปนะถ้าสายธรรมาทิฏฐิจะมองทุกอย่างเป็นเป็นเหตุเป็นผลเชื่อมกันเป็นเหตุเป็นผลมิจฉาทิฏฐิปฏิเสธเหตุหรือปฏิเสธผล เช่นปฏิเสธผลก็คือบอกว่าที่ที่เกิดมาเนี่ยไม่ได้ผลกรรมในอดีตอะไรหรอกพ่อแม่ไม่มีบุญคุณอะไรหรอกอ่าพวกนี้ปฏิเสธปฏิเสธเหตุตในอดีตใช่ไหมพวกปฏิเสธผลก็คือแบบสิ่งที่ทําอยู่ทุกวันเนี่ยไม่มีผลอะไรต่อไปผัสสายมิจฉาทิฏฐิก็จะปฏิเสธเหตุหรือไม่ก็ปฏิเสธผลเพราะฉะนั้นพรุทธเจ้าตรัสว่าที่สุดของมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดอยู่ที่หลักอกิริยา ไม่ต้องทำอะไรยังไงพอพอไประดับหนึ่งนะขัดกับอะไรขัดกับมรคเพราะมรคเป็นสิ่งที่จะต้องทำขึ้นเพราะฉะนั้นพวกที่วิเคราะห์ไปวิเคราะห์มาคิดไปคิดมาแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยอันนี้ผิดใช่ <c oughs> ก็สำนักทั่วไปนี่ก็มีกบ้านนะหิวบ้านใครใครอยู่บ้านนะ หิวก็ทานไงง่วงก็นอนถ้าอยู่บ้านนะอันนี้สำนักบ้านนะบ้านใครก็ใช้กฎอันนี้แหละปฏิบัติกันอ่ะจริงเหรอมีเป็นของจีนเนปัาของจีน้มีอยู่สายเนี่ยบอกว่าอ๋ออันนี้พอแล้วพอลชาวบ้านทั่วไปก็ทำกันอย่างนี้อยู่แล้วล่ะ นี่สัมมาทิฏฐิเนี่ยนะเราก็มาดูว่าสัมมาทิฏฐิเป็นตัววินิจฉัยปริญญาตัวปริญญาธรรมว่าปริญญยธรรมนั้นเป็นต้นเหตุของเขามาจากสมุทยัยแล้วสมุทัยเนี่ยนะทุกข์สมุทัยนี่ดับได้แล้วดับได้ยังไงก็ต้องทําปริญญาเมื่อทําปริญญาเมื่อกําหนดรู้ทําที่ควรกําหนดรู้ก็จักละสิ่งที่ควรละเมื่อละสิ่งที่ควรละก็ชื่อว่าทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้ง ที่นี้อ่านะอันนี้มันก็อาศัยการยกไปตรึกนะยกไปตรึกแต่ที่นี้ว่างๆมันไม่เอามันไม่เคยอมคิดตามนี้หรอกมันคิดอีกอันหนึ่งกามอนะมันไปคิดไอ้ตรงกันข้ามมันเลยไม่ส่งเสริมสัมมาทิฏฐินะก็เลยเป็นมิจฉาสังกปะนะคิดหากรรมอันน้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ใช้ไม่ได้อ่นะคิดไปคิดมาก็พยาบาท นพราคิดไปคิดมานะต้องไปต่อว่ามซะหน่อยก็มีหงืสาอะไรคือคิดไปคิดมาก็หันไปคิดเรื่องกามนะพอหันไปคิดเรื่องกามเนี่ยจะบรรลุได้ไหมอริยสัจนะก็คิดเรื่องกามบ้างคิดเรื่องโกรธบ้างคิดไปตามคิดเบียดเบียนบ้างตรงกันข้ามไปหมดแล้วพอเจริญปัญญาบอกห้ามห้ามที่ตกนะ ห้ามไม่ตกทีนี้พระองค์ห้ามไหมพระพุทธเจ้าห้ามไม่ตกไหมสัมมาทิฏฐินะตัวที่จะเกื้อกูลสัมมาทิฏฐิหนึ่งเนคขมมะสังกปะเนี่ยนะเนคขมมะนะเพราะพวกพวกคิดแบบนี้เป็นการคิดออกอะไรตรงๆเลยคิดออกจากกามใช่ไหมสูงสุดก็คิดออกจากวตตะอันนี้เป็นเนคขมมะสังกปะคือคิดออกทีนี้มันพอคิดไปคิดมามันก็ไปโกรธอีกจนได้ อันนี้แหละที่จะต้องมาเจริญอัพพยาปาทะสังกัปปะ น, นะเพื่อเพื่อกำจัด น, นะเพื่อกำจัดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนแล้วก็คิดไปคิดมามันก็ต้องมันยังไงคิดจะทำคิดคิดให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลานะก็ต้องอาวิหิงสาคิดกรุณาเข้าบ้างเนื้อธมะเนี่ยนะเป็นทั้งโดยโดยสัพเนี่ยเป็นทั้งศีล สมถะสมถะประเภทกสินกสินอสุภะและานะาสายกสินอสุภะเนี่ยนะพวกนี้เป็นเนคขมมะสังกปะหมดอีกหนึ่งก็คือวิปัสนาสนี่ศีลสมถวิปัสนาเนี่ยสับคำว่าเนคขมมะนี่อมความถึงหมดทีนี้บางครั้งเนี่ยมันไม่ยอมคิดไปตามนี้ใช่ไหม มันโกรธอะ่ะอันนี้แหละต้องเจริญเมตตาอัพยาปาทะถ้าเป็นคนที่ขาดน้ำใจอ่ะนะก็ต้องเจริญกรุณาเพราะนตัวอัพยาบาทนี่เกื้อกูลต่ออะไรตรงๆก็เกื้อกูลต่อศีลแล้วเขาก็เป็นศีลด้วยนะอัพยาบาทก็เป็นศีลกรุณาก็อยู่ในฝักฝ่ายของอัพยาบาทอยู่แล้วเคือพื้นฐานเนี่ยนะ ถ้าบุคคลใดเป็นคนมีเมตตาคนนั้นจึงจะรู้จักกรุณาถ้าใครไม่มีเมตตานะไม่มีกรุณาหรอกคือเมตตาเนี่ยนะคือคิดให้คนอื่นได้ประโยชน์บ้างอ่นะพวกลักษณะของเมตตาเนี่ยคือแนวความคิดหวังประโยชน์แก่ แก่คนอื่นทีนี้เมื่อคนอื่นไม่ได้ประโยชน์คนประเภท น, นี้เดือดร้อนนะทำไมคนนั้นเขาไม่ได้ประโยชน์ช่วยให้เขาได้ประโยชน์ขึ้นอันนั้นเป็นเป็นกรุณาและเห็นคนอื่นเขาเสียประโยชน์อยู่ก็ทำยังไงนะเขาจะจะได้ประโยชน์ตอบแทนเป็นต้นเนี่ยพวกนี้จึงจะเป็นต่อด้วยกรุณาถ้าพื้นฐานขาดเมตตายากนะจะมีกรุณาคนที่มีกรุณาเนี่ยส่วนใหญ่คือคนที่ต้องการให้คนอื่นได้รับประโยชน์ พอคนอื่นเขาไม่ได้รับประโยชน์ปั๊บเนี่ยชักเห็นใจเขาแล้วจะช่วยเขาได้ยังไงพวกความคิดเหล่านี้เนี่ยนะเกื้อกูลต่อการเจริญเจริญสมถะวิปัสสนามากเนี่ยนะโดยเฉพาะวิปัสนาเนี่ยนะสำคัญมากนะถ้าพวกอัพยาปาทะสังกปะไม่มีอวิหิงสาสังกปะไม่มีก็ามาเชื่อเลยว่ายากที่จะเจริญปัญญาได้ดีะนะยากจริง ถ้าถ้าไม่มีอัพยาปาถ้าสังกัปปะอะวิหิงสาสังกัปปะเป็นเป็นปริมาณเนี่ยนะ